มีใครไม่เคยมาไหมเคยมาไหมโมงนี้สบายแล้วตอนนี้นั่นแหละไหนๆก็ถือแล้วเป็นไงภาวนาวันนี้โยมรู้สึกว่ามีโมหะคลุมอยู่อ่ะเจา้าค่ะแล้วก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้แวบหนึ่งมีปิติแต่ก็รู้สึกมันไม่ มันก็เป็นปิติที่ไม่แน่ใจว่ามีโทสะบนอยู่หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกน้ําตามันตื้นขึ้นมาเจ้าค่ะเมื่อวานเห็นแต่ว่าจิตไม่อยู่บ้านเลยเจ้าค่ะมันวิ่งไปทางตาแล้วไปอยู่ที่นู่นที่นี่กับวิ่งไปทางความคิดไม่ค่อยอยู่ที่บ้านไม่กลับมาเลยเจ้าค่ะเจอดีที่เห็นไม่ได้ฝึกให้มันอยู่ในบ้านต้องเฝ้าบ้านถึงเวลา มันจะต้องมีธุระมันก็ต้องออกจากบ้านไปจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตานะไม่ได้วิ่งกลับมานะจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นแหละดูเขาออกไปทํางานข้างนอกเกิดดับเกิดดับถ้าเขาไม่มีความสนใจภายนอกแล้วก็เข้ามาข้างในเข้ามาอยู่ในบ้าน คือมีวิหารธรรมอันหนึง่งเป็นที่อาศัยของจิตเวลาจิตมีธุระจิตก็ไปไม่ห้ามนะเราจะเห็นเลยว่าจิตจะอยู่บ้านหรือจิตจะไปห้ามไม่ได้ตรงนี้แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูทั้งวันทั้งคืนแนละ้วถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจที่จะดูเนะี่ยสภาวะธรรมนะั้นมีตลอดเวลาคุณนาปิดไหมิดเนี่ย แต่ถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมเราจะพบว่าสภาวะธรรมมีตลอดเวลาแต่เราบางครั้งเราดูไม่ถูกดูไม่เป็นนึกไม่ถึง mm hmm. เช่นเราดูไปจใจว่างๆแล้ระแบบไม่มีอะไรให้ดูไอ้ว่างนั่นแหละก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกว่างอันนั้นยังว่างปลอมว่างคู่กับวุ่นว่างได้ก็ยังวุ่นวายได้นี่ถ้าใจ ออกไปรู้ไปเห็นใจปรุงแต่งใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ห้ามมันนะเว้นแต่ต้องการพักผ่อนทําความสงบดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว เ, เราถึงจะทำสมถะพักผ่อนนะอันนั้นจำเป็นต้องทำสมถนะแต่เวลาที่เหลือเราก็ดูจิตดูใจดูกายไปพอนะเหนื่อยขึ้นมาเราก็กลับมาทำสมถะพักผ่อนไม่ทิ้งหรอกนะทิ้งไม่ดีทิ้งแล้วใจไม่ตั้งมั่นใจกระใจกระาย จิตใจถ้ากระจายออกนอกเนี่ยไม่มีกำลังที่จะเกิดมรรคหรอกจิตต้องตั้งมั่นพอแต่หลายคนคิดว่าการที่จิตไปตั้งแช่ในอารมณ์เนะเป็นสมาธิไม่ใช่นะการนัดตาแยกออกใช่ไมเกือบทั้งหมดเลยที่ชอบเข้าไปแช่ยิ่งพวกที่บอกว่าไม่เอาสมถาอยากทาให้ปันสนาอย่างเดียวนะเอาจิตไปแช่ไว้ในอารมณ์ทั้งนั้นนะเลยมันสักว่ารู้ ศักว่ารู้นะกับถลําลงไ ป, ร, ไงไปงรู้ไม่เหมือนกันตั้งมั่นกับถลําเข้าไปตั้งแช่เนี่ยไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ทําได้นะแค่เข้าไปแช่แทบทั้งนั้นะ่ะลืมลืมตัวไปนึกว่ารู้ตัวอยู่นะอี่ยเขาจะหยิบอะไรสักอันนแมมมือกระดิกเลิกๆๆรู้สึกเลยเข้าไปแช่ไว้ในมือนี่ยจิตมีโลภะมีทิฏฐิมีตัณหามีทิฏฐิไม่เห็น มีทิฏฐิคือคิดว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีนัทั้งที่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วคิดว่าจะต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีต้องกําหนดอย่างนี้ถึงจะดีนี่ตัวนี้ที่คลาดเคลื่อนว่าทําให้เราทําสติปัฏฐานจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดยามทําสํารวมเนี่ยก็เหมือนกับการเราไปแช่นั่นเองใช่แกล้งทําสํารวมนั่นแหะของปลอมคําว่าสํารวมไม่ได้แปลว่าแกล้งนิ่ง สำรวมหมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตแล้วมีสติรู้ทันนี่ที่เรียกว่าสังวรอนินเสียสังวรตากระทบรูปภูกระทบเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันนี่ถึงจะเรียกว่าสัรวมส่วนแกล้งทาซึมแกล้งทำโง่ได้อะไรมันทำด้วยตัณหาและทิฐิกิเลสที่ทว่าเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรม งั้นตอนนั้นมีกิเลสขึ้นมามีตัณหามีทิฏฐิแล้วลงมือทํากรรมฐานนะสติไม่เกิดเลยสักขณะเดียวเพราะขณะนั้นกําลังทําอกุศลอยู่กำลังหลงอยู่จิตมีโมหะใลายคนนะคิดว่ากําหนดไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดสติไม่เกิดหรอกสติเกิดจากทีราสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ นั่นหน้าที่รู้จักสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดเองสติเกิดเองนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ตั้งถูกต้องตั้งอยู่ถึงฐานมันจริงๆส่วนถ้ากําหนดกําหนดไปใจจะไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ตั้งมั่นคือเนี้ยสตินะก็แยกไม่ออกว่าสติอะไรที่ใช้ทํามีปรัชนาจริงๆสติอะไรไปรู้อารมณ์ที่เป็นสาธารณกุศล สมาธิก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นในการศักว่ารู้อารมณ์ด้วยจิตที่อ่อนที่เบาที่นุ่มนวลกล่องแค่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงรู้จักแต่สมาธิที่จิตถลำเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจวงการของตันหาและทิฏฐิปัญญาก็ไม่รู้จักนะปัญญาปัญญามันเกิดจาก สติไประลึกรู้สภาวธรรมด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิเนตัวส ม, มาสมาธิและเป็นตัวชี้ขาดเลยว่จะมีปัญญาหรือไม่มีถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาหรอกมันจะไม่เห็นสภาวธรรมทั้งหลายนะเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าเราเราถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันหลุดออกจากโลกของความคิดนะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่จะเห็นรูปนามไม่ใช่เรา เห็นตรงความจริงมันไม่ใช่เรามไม่ต้อง เ, เป็นละความเป็นเรานะนค่ะหลายคนก็จะมีภาระหนักคือไปควานหาว่าทำยังไงมันถึงจะไปเห็นว่าเป็นเป็นแค่รูปเป็นแค่นางไม่ใช่เป็นเราก็ไปทํากันอีกตรงนี้<ร>ค่ะสำคัญมากะคะ่ะคนมาถามมาทํำยังไงจะถูกทําไม่ได้พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ทรรษาแรกนะทําไม่ได้หรอกคนไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อหรอก ตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะบางคนมั น, น, นด่าเอาด่าเอานะแต่ไม่กล้ามาด่าซึ่งหน้านะกลัวเถียงสู้เราไม่ไหวตอนหลังๆเปลี่ยนใหม่ไม่บอกว่าหลวงพ่อสอนผิดล้วเปลี่ยนใหม่หลวงพ่อประโมทสอนยากเกินไปสอนสูงเกินไปเพราะงั้นเบื้องต้นต้องมาทําอย่างนี้ก่อนมีขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้ลืมไปนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในสิ่งเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าหายใจยังไงนั่งยังไงเดินยังไงนอนยังไง ไปกินข้าวต้องกําหนดยังไงไม่เคยไม่มีพระเจ้าสอนธรรมะล้วนๆเลยธารมาที่ท่านสอนนั้นะใบไม้หนึ่งกมือที่เพียงพอแล้วถามว่าท่านไม่รู้จักวิธีกําหนดเหลอทำไมท่านจะไม่รู้จักแต่ท่านไม่สอนทำไมท่านไม่สอนเพราะท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสอนเนี่ยอาจารย์อนัตตาลองดูสิสิ่งที่เรียนกันทุกวันนี้นะัมันคืออุบายที่คนชั้นหลังสร้างขึ้นมาแทบทางนั้นเ ลืมหลักพอแตอมาพูดถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสูงเกินไปยากเกินไปลืมไปนะว่าอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคารวานนะด้เมื่อวานได้มีโอกาสได้ฟังญาติธรรมท่านหนึ่งอะค่ะ mm hmm. พูดถึงคําว่าปริยัตนอกปริยัติใน mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำพูดคํานี้นี่แยบใครทีเดียวค่ะที่เราจะได้เห็นว่า ระยะเวลาที่ผ่านการมาเนี่ยทำให้คนศึกษาแล้วก็เข้าไม่ถึงสภาวะธรรมไม่เข้าถึงประสบการณ์ตรงของความรู้สึกไปอยู่กับการที่มีปริยัตหลายชั้นเนี่ยทำให้เราเจาะถึงความรู้สึกตรงๆกับสภาวะไม่ได้ใช่เมื่อก่อนมีมัอาทิตย์มีอาจารย์อภิธรรมมาอีกท่านมาถึงก็บอกเนี่ยนักปฏิบัตินะ่าชอบมีอัตโนมัต จริงๆแล้วต้องศึกษาหลักธรรมที่ผู้เจ้าสอนอ่ะบอกอาจารย์สอนเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้บผมเน้นสอนเรื่องสมถะกวิปัสสนาเนี่ยผมเห็นว่าสมถะทำง่ายวิปัสสนาทำยากบอกพระพุทธเจ้าสอนไร่ที่ไหนอัตโนมัติหรือเปล่านะแกก็อึ้งไปนะเออพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนะว่าสมถะง่ายวิปัสสนายาก สมาธามันก็ง่ายสําหรับคนที่ทําเป็นมันก็ยากสํกาหรับคนทําไม่เป็นนิพพานามันก็ง่ายสําหรับคนทําเป็นมันก็ยากกับคนทําไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนธรรมะอะไรที่ที่ดิ้นได้อย่างนั้นท่านสอนนี่จะดักหมดมันไม่มีทางดิ้นนะแล้วสักพักหนึ่งก็เอาละดูกายง่ายกว่าดูจิตมันอัตโนมัติอีกละรู้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในคำภีรเรามีแต่บอกว่า กายานุปัสสนาเวทนานุปัสส น, นาเหมาะกับตัญหาจริตเมืจิตตากะธรรมาเหมาะกับทิฏฐิจริตกายานี่เหมาะกับตัญหาจริตที่อินทรีย์อ่อนเวทนาเหมาะกับตัญหาจริตที่อินทรีย์กล้าท่านเทียบกายกับเวทนาท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตส่วนจิตตานี่เหมาะสาหรับพวกทิฏฐิจริตที่อินทรีย์อ่อน Geor ธรรมาเหมาะกับทิฏฐิจริตที่มีอนินทรีย์กล้ามีปัญญาแก่กล้า ทัานเทียบจิตกับธรรมเราก็มาครอบเอาตามใจชอบนะเทียบกายกับจิตกายกับจิตนั่นของง่ายทั้งคู่ของพวกอินทรีย์อ่อนด้วยกันทั้งคู่เยิ่งแต่ว่าจริตของใครมันเหมาะกับอะไรเนี่ยธรรมะอย่างนี้นะมันเฟือนะกระทั่งในแวดวงคนที่ศึกษาพิธรรมมันนึกเอาเองเพราะว่าไรพไปเชื่ออาจารย์สอนต่อๆกันมาแล้วบอกว่าสอนกายอะได้ทําสมถะไหมไม่ทําสมถะ ไม่ต้องทำอา้าวกายานุปัสสนาหมอกับสมถายานิกไม่ใช่หรอถ้าไม่ทําสมถานะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นจะมาดูกายไม่รู้เรื่องหรอกมันจะทลําเข้าไปในกายในขั้นของหลักการแล้วก็วิธีการเนี่ยก็มีความแยบคายกันคนละอย่างนะคะถ้าพูดถึงในหลักการก็ว่ากันโดยหลักของทฤษฎีก็ไม่จบแต่พอได้มาเสพคุ้นกับพระอาจารย์ ตรงนี้ค่ะเราได้เห็นในวิธีการซึ่งพระอาจารย์จะโยกให้เหมาะกับอธัธยาศัยของแต่ละบุคคลทุกคนมาก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันหมดเหมือนอย่างที่อนันตาก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึก ตัวการเป็นผู้ดูอย่างว่างง่ายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเขาโดยไม่ถือสาดูเขาไปตรงๆอย่างไม่แทรกแซงไอ้คําพูดพวกเนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้จากการกันกรองจากการที่เราได้ฟังและเข้าใจแนวทางปรับวิธีคิดวิธีใส่ใจจากตรงเนี้ค่ะดีแล้วจานตตาไม่งั้นจานตตาสอนไปนะจะแพร่ยาผิดไปเรื่อยๆคนคนไหนที่เป็นครูเขาเนี่ยหลวงพ่อจะเข้มงวดเข้มงวดมากกาปกตินะ เพราะว่าจะสืบสาศาสนาหรือจะทําลายาศาสนาไม่แน่นะดีแล้วอาจารย์นัตตาได้ทั้งปริยัตปฏิบัตินะจริงๆแล้วการปฏิบัตินั้น ง, ง่ายที่สุดเลยง่ายมากนะทําแค่ที่พระพุทธเจ้าสอนบางคนบอกว่าที่หลวงพ่อสอนนี่ยากเกินไปยากเกินไปอะไรลองไปฟังซีดีนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมา ควรตื่นขึ้นมาโดยไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียวตื่นขึ้นมานี่ยยยเลยอะแยะไปละเต็มไปหมดเลยบางคนนั้ภาวนาดีมากเลยเวลาเขาบรรยายสภาวะนะเคยมีครั้งหนึ่งท่านมานั่งฟังที่แรกท่านมาแบบพองมานะท่านไปภานาอยู่ในป่ามาพรรษานึ่งท่านพองมาเลยเสร็จแล้วพอท่านมานั่งฟังโยมพูดนะท่านข้อเหี่ยวลงเรื่อยๆตอนสุดท้ายหลวงพ่อไปคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านอายมากเลย ทำไมโยมภาวนากันได้อย่างนี้โยมตื่นขึ้นมาโยมเห็นสภาวะโยมเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้ น, โ ย, น, น ون, โยมเห็นน้นโยมเห็นอันนี้โยมจะกระดุกกระดิกเหลียวซ้ายแลกขวารู้สึกตัวนอนอยู่จะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนอนหลับอยู่จิตจะคิดที่เราเรียกว่าฝันจริงจิตเป็นคิดเขาก็รู้ว่าจิตคิดนะ จริงๆแล้วทำมาง่ายที่สุดเลยเราไปคิดมากหรือยากนานเราคิดแต่ว่าจะต้องทำยังไงต้องทำยังไงเนี่ยทายัางไงแล้วจะดีเห็น ไ, ไหมวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคือต้องการดีสิ่งที่ต้องการจะได้ต้องการดีทำไงมันจะดีก็จะคิดแต่จะทำเราลืมสภาวะของวิปัสสนาคือการรู้ไปรู้นี่ไม่ใช่เอาดีรู้เอาความจริงนะรู้เพื่อให้เห็นความจริง ้นอย่างสมถะทั้งหลายเนี่ยมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีก็คิคดแต่ว่าทำยังไงจะสุขจะสงบจะดีส่วนวิปัสสนานะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องการคือความจริงเท่านั้นธรรมะ ก, ก็คือความจริงนั่นแหละตัวสามาทิตินั่นแหละนี่เราคอยรู้ลงไปนะไม่ใช่เรื่องยากอย่าใจลอยก็แล้วกันถ้าใจลอยก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ ยาวแต่นั่งเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ถ้าเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้กายกับใจก็จะนิ่งๆผิดความเป็นจริงยังก็แค่รู้สึกตัวสติมันะระลึกรู้กายก็รู้กายสติะระลึกรู้จิตก็รู้จิตมันไม่เลือกแล้วนะถ้าสติเกิดแล้วมันไม่มีสายไหนละมันมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติไม่มีสายกายสายจิตอะไรหรอกอันนั้นมันแค่จุดตั้งต้นเพื่อฝึกให้มีสติขึ้นมา จุดตั้งต้นเพื่อฝึกให้มีสตินี่เป็นการตามรู้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนะั้ท่านถึงใช้ว่าการตามเห็นกายเนือ ง, องๆตามเห็นนะไม่ใช่รู้ลงปัจจุบันนะการตามเห็นเวทนาเนืองๆการตามเห็นจิตเนืองๆตามเห็นธรรมเนืองๆพระอาจารคะก็ตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าจิตจะต้องได้รับ าฐานตั้งก่อนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มก็คือ<ช>ฝึกให้เขาได้ตั้งขึ้นมาก่อนให้เกิดมหากรุสรจิตญาณสัมปยุทธ์อสังคาลิกัง <laughs> ตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตสิกขาเราเป็นนึกว่าจิตสิกขาเป็นเรื่องเข้าชาญอย่างเดียวจิตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิต ท, ที่พร้อมจะเจริญวิปัสสนาเกิดขึ้น เป็นกุศลจิตนี้เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเบิกบานเบานะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นนะเกิดเองเกิดได้เองเสร็จแล้วเราก็เบื้องต้นนะนะมันต้องตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้นะ เพื Tuesday, ่ออะไรเพื่อให้เกิดสติตามรู้เพื no ่อให้จิตจําสภาวะได้แล้วเกิดสติเนี่ในสติปัฏฐานเนี่ยท่านถึงใช้คําเหมือนกันหมดเลยกายานุปัสนาการตามเห็นกายจิตตานุปัสนาการตามเห็นจิตเป็นคนละส่วนกับขั้นที่ทําให้เกิดปัญญานะคนละส่วนกันงั้นในสติปัฏฐานั้นมีสองส่วนส่วนที่ทําให้เกิดสติตามเห็นกายตามเห็นเวทนาตามเห็นจิตตามเห็นมากๆแล้วจิตจําสภาวะของรูปนามได้แม่นรูปนามเคลื่อนไหวขึ้นมาสติเกิดเอง สติเกิดเองแล้วคราวนี้มันไม่มีแล้วสายกายสายจิตนะเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีสติระลึกรู้กายสติบางทีก็ระลึกรู้ใจไม่มีสายละวดังนั้นตอนสุดท้ายก็จะเหลือแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินี่มีสติขึ้นมาก็ไม่ใช่เพื่อจะต้องมีสติต่อเนื่องสติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแค่นั้นพอแล้วเรามีสติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะตัดตอนชีวิตของเราให้ขาดเป็นท่อนๆ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 ฝึกอย่างนี้ในที่สุดเห็นเลยจิตทั้งที่เผลอไปที่ทั้งรู้สึกตัวที่มีสติที่ไม่มีสติล้วนแต่เกิดระดับเวลาเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมนี้เข้าใจทั้งคู่เลยไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่เอาจิตที่มีสติเกลียดจิตที่ขาดสติเพียงแต่จิตที่มีสติเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเพจะได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองท่านถึงบอกว่าธรรมะเหมือนเรือเป็นเครื่องอาศัยเมื่เรามีสติขึ้นมาแวบ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 แล้วเดี๋ยวมีจิตที่มีสติมาระลึกใหม่อ้เ อ, เ อ, อเมื่อกี้เผลอไปพอเมื่อกี้เผลอไปรู้สึกตัวแว บ, บเนี่ยเกิดโลภะแทรกกลัวเผลอไม่อยากเผลออยากจะรู้ตัวเพ่งเกิดการทํางานทางใจให้รู้ทันเมื่อทำงานทางใ จ, ใงงใจละเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆก็จะดัดแปลงก็จะพลิกแปลงอะไรตามรู้ไปตามรู้ไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรือเพื่อปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยังไม่ได้เอาจิตที่มีสติไม่ได้เอาจิตไม่ได้ปฏิเสธจิตที่ขาดสติและจิตที่มีสติและจิตที่ขาดสติสอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยแต่ต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ อ, อ, อยู่ในช่องเล็กๆของปัจจุบันช่องเล็กๆจะเห็นแต่ว่ามีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงจุดที่แจม่มแจ้งก็จะรู้เลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นปัญญามันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าฝึกจนไม่มีความขาดสตินะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ดอกเกิดได้ก็ดับได้นี้ธรรมะฟังเรายากนะฟังเรายากแตทนฟังไปทนฟังหลวงพ่อนะสองครั้งสามครั้งทนไปเถอะอยากคิดมากคิดมากยากนานแต่คนไหนติดเพ่งมาต้องค่อยๆสังเกตเอานะการเพ่งติดเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งมาติดเพ่งเพ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาอย่างนี้หรอก อาจารย์คะตรงนี้ขออนุญาตย้ําอีกนิดนึงอะค่ะว่าตรงกระบวนการที่เราตามรู้และลึกลงไปอย่างนี้แหละเป็นกระบวนการของขั้นของจิตตะศิขาอะไรนะการกระบวนการของการตามรู้และลึกรู้ไปอย่างนี้ค่ะก็เป็นการเข้าสู่กระบวนการของจิตตะศิขาใช่เพียงกระทั่งจิตเนี่ยมันเกิดความรู้ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาพร้อมที่จะเจริญปัญญาพอจิตมันพร้อมเจริญปัญญามันก็ขึ้นปัญญาศิกขาสิ งั้บทเรียนที่สองเนี่ยถึงชื่อจิตสิกขานะแต่คนไทยชอบแแปลาความบทเรียนที่1เรื่องศีลบทเรียนที่สองเรื่องสมาธิบทเรียนที่3มเรื่องปัญญาในรากศัพท์จริงๆนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาทําไมเราไข้แผลเป็เนงั้นเพราะท่านพุทธคุโศจารย์ท่านแต่งมิสุทธิมรรคพอจิตสิกขาเนี่ยนะท่านฉเฉลียวเรื่องสมถะมาสมถะมาใส่ เราก็เลยสมถะตามท่านหมดพอปัญญาสิกขาก็เป็นวิปัสสนาท่านอยากแยกสมถะวิปัสสนาจริงสมถะก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาจิตสิกขาการศึกษาเรื ed, oh ่องจิตมันทําได้สองแบบการศึกษาเรื่องจิตสําหรับสมถายานิกอันหนึ่งการศึกษาเรื่องจิตของวิปัสสนายานิกอีกกันหนึ่งการศึกษาเรื่องจิตของสมถะยานิสก็คือทําสมถะไป จนถึงได้ถึงชานที่สองเราดีนะชานที่หนึ่งยังน้อยไปนิดหนึ่งยังไม่หลุดออกจากความคิดแท้ๆยังมีวิตกวิจาร์เคล้าอยู่ในชานที่สอ ง, องมีภาวะหนึ่งที่เรียกเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะนี่อะไรที่พระปาท่านเรียกว่าจิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วพอเราออกจากสมาธิเนี่ยกำลังของสมาธิยังมีผลอยู่มีบาของมันไม่หมดทันทีมีผลโดยจิตผู้รู้ยางตั้งมั่น ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะเสร็จแล้วมารู้กายจะยเห็นทันทีรลยกายไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่กายนี่ดูอย่างง่ายง่ายแต่ดูจิตยากละเพราะมันนิ่งมันคงที่นั้นเพรเราไปทําสมถะมาเนี่ดูจิตลําบากแต่ถ้าไม่ทําเลยนะดูจิตลูกเดียวฟุ้งซ่านก็ดูไม่ออกอีกละงั้นสมถะเนี่ย จำเป็นสำหรับพวกรู้กายและเวทนามีประโยชน์สำหรับพวกดูจิตจำเป็นกับมีประโยชน์เนี่ยระดับความสำคัญไม่เท่ากันถ้าเราดูจิตไปเรื่อยจนมันฟุง้งมันไม่ตั้งถึงฐานเนี่ยตัวนี้ก็ทำสมถะซะหน่อยให้จิตตั้งอยู่ในฐานของมันให้จิตตั้งถึงฐานแล้วก็ปล่อยไม่บังคับไว้แล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วอันนี้ปล่อยให้มันทางานไปบางคนว่ายากนะ แต่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคารวาสสมัยน้นเวลาท่านเจอคารวาสนะที่ไม่เคยรู้ศาสนาพุทธเนี่ยท่านสอนธรรมะชื่ออนุปุปภิกถาอนุปุพิกถาจะเริ่มจากว่าเอาไปทําทานนะไปรักษาศีลนะไม่มีเรื่องสมาธิเห็นไหมไม่ไปทําทานนะไปรักษาศีลนะแล้วจะได้มีความสุขขึ้นสวรรค์แต่สวรรค์นนะั้นยังไม่เที่ยง สวรรค์ยังมีโทษยังมีทุกข์แทรกอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งก็ตกสวรรค์เพราะงั้นก็ควรจะมาออกจากกามมาศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมะที่ต้องศึกษาปฏิบัติเรียกว่าอาริยสัจอริยสัจนี่แหละเป็นธรรมะที่สอนคารวะนะสอนโดยเริ่มจากอนุปพิกถาอันที่5ก็คืออริยสัจ งั้นพระยศานี่แหละฟังเรื่องอริยสัตนี่แหละได้พระโสตาบัน <S <S เสร็จแล้วพ่อท่านมาตามพระเจ้าเทศอนุปปิกถาเนี่ยลงท้ายถึงอริยสัตนี่ให้พ่อของพระยศาฟังพ่อได้พระโสดาพระยศ า, าฟังครั้งที่สองได้พระละหันเพราะท่านฟังแล้วท่านเห็นสภาวะนะถ้าเราเป็นอย่างเราฟังแล้วก็จดเลคเชอร์ไม่ได้นะไม่เห็นสภาวะเอาไปสอบได้ นันอริยสัจเนี่ยทำมาสําคัญตรัสรู้ใหม่ๆก็สอนอริยสัจจนจะถึงนิพพานนะสามเดือนก่อนปรินิพพาเนเยพระสูตรบอกเลยว่าเทศอริยสัจเป็นส่วนมากส่วนน้อยก็คื อ, อไปตอบคําถามของคนที่มาถามเรื่องอื่นนั่นเทศอริยสัจเป็นส่วนมากจนถึงปัดชิมมาวาะทะสอนเรื่องความไม่ประมาท ก, ก็คือมีสตินั่นเอง การมีสตินี่แหละไม่ประมาทมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าทำสติปัฏฐานถ้ามีสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจเรียกสติปัฏฐานพอรู้แจ้งเรียกว่ารู้ทุกพอรู้ทุกแจ้งก็ปล่อยวางตัวทุกคือปล่อยวางขันขันห้าคือตัวทุก์ก็ปล่อยวางขันห้าไปปุ๊บจิตไม่มีอะไรจะยึดฉวยนะไม่มีอะไรจะเกาะจิตก็พ้นจากขันพ้นจากทุกนั่นเอง ไม่ใช่ดับทุกนะไม่ใช่ดับทุกนะพ้นทุกนะขันก็อยู่ส่วนขันไป จ, จิตก็อยู่ส่วนจิตอิสระจากกันแต่จิตก็เป็นขันนะนี่มันมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกาะกับขันจิตชนิดนี้เลยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากขันทำหน้าที่รู้ขันไปทำงานอยู่กับโลกรู้บัญจัดบ้างรู้ขันบ้างทางานอยู่กับโลก แต่ไม่เกาะอะไรนะเรียกกริยาเป็นมหากริยาจิตจิตดวงนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรสบายมีความสุขอยู่อย่างนั้นจิตส่งออกนอกไหมส่งออกถ้าพูดในสัมนวนโทนักปฏิบัตินะจิตพระละหันก็ยังส่งออกนอกคือรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติ น, นั่นเองแต่ไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรขึ้นมาไม่ใช่ว่าขันห้าของพระละหันเป็นความสุขนะ จะเข้าใจผิดว่าภาวนาแล้วขันห้าจะเป็นสุขขันห้าจะเที่ยงขันห้าจะเป็นอัตตาเป็นไปไม่ได้ที่เป็นพระอรหันต์ได้ก็เพาเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ววางได้ที่วางไม่ได้ก็เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์วางไม่ได้ก็เห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไม่ร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนั่นรู้สึกอย่างนี้ไงมันวางกายไม่ได้ รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันก็ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์รู้สึกว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะจิตก็ยังดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อยู่แต่เมื่อเราเห็นว่าทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ดับไปจิตจะวางวางเองไม่ต้องเชิญให้วางวางเองงั้นไม่ต้องถามว่าทํำยังไงจะหลุดพ้นไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาหลุดของเขาเอง อย่าว่าแต่ทำจิตให้หลุดพ้นเลยทำจิตให้เกิดสติสักขณะหนึ่งยังทำไม่ได้เลยสติเกิดเองเพราะมีเหตุแต่จิตหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญาจแจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ระวางวางเองทนฟังนะฟังหลวงพ่อทนทนท น, นิดนึงวิธีที่จะฟังให้เข้าใจง่ายก็คือลืมของเก่าซะก่อน ทำใจให้เหมือนถ้วยน้ําชาที่ว่างเปล่าถ้าฟังไปศึกษาเปรียบเทียบไปจะฟังยากเพราะธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาสอนกันที่เขาไม่สอนเพราะมันเปลืองตัวเองมีใครอยากพูดหรอกสอนทำทานถือศีลสอนทำสมาธิง่ายนี่ไม่มีใครมาว่าอะไรได้สอนถึงตัวสภาวะแท้ๆไม่มีใครเข้าสอนกันนะสอนให้เห็นตัวสภาวะ มีบางคนมาเรียนก็มาเรียนด้วยใจของนักเรียนจริงๆอย่างนี้ดีนักเรียนคําว่านักเรียนกับนักปฏิบัติไม่เหมือนกันชาวพุทธต้องเป็นนักเรียนนะเพราะหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนเรียนเรื่องสีเรนเรื่องจิตเรนเรื่องการเจริญปัญญาพระโสดาสกิทาคานาคาก็เป็นนักเรียนเนกเสฆะบุคคลเป็นนักเรียนพวกเรามีหน้าที่เรียนนักเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้รู้ความจริง วความจริงเป็นยังไงเรียนด้วยใจที่ว่างๆถ้าเราเรียนด้วยใจที่มีของเก่าพะรุงพลังนะเรียนยากฟังสิ่งใหม่ไม่เข้าใจเพอจะเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆของเก่าดีจริงวิเศษจริงมันพ้นทุกข์ไปแล้วละ่ะของเก่าดีจริงวิเศษจริงพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วละ่ะส่วนมากติดสมถะกันงอมแงมนะเพ่งมาจนทื่อๆหาความสุขสักนิดหนึ่งในชีวิตยังไม่ค่อยจะได้เลยร่างกายก็เฟรดขัดยอกนะจิตใจก็แข็งทื่อ ยังภูมิใจว่าภาวนาดีภาวนาถูกถ้าเรียนอย่างอาจารย์อนัตตาจะรู้เลยจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเหมือนอากูสลรจิตงั้นวางนะวางของเก่านิดหนึ่งถอดเขี้ยวถอดเล็บถอดเขี้ยวถอดเล็บซะก่อนแล้วค่อยๆฟังไปฟังเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆบ้างฟังไปก่อนนะไม่ชอบใจทีหลังก็โยนทิ้งไปแต่ตอนนี้ถ้าจะฟังให้รู้เรื่องเร็วๆนะลืมของเก่าซะ ไม่ต้องฟังหลวงพ่อแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับของเก่าเลยลืมไปเลยทําใจให้เหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กเล็กๆเด็กที่ใจเดียงสาเด็กเล็กๆเนี่ยเราเอาขนมไปให้ก็ดีใจไปว่ามันมันก็เสียใจซื่อๆนะเสียใจมันก็ร้องไห้มันดีใจมันก็หัวเราะซื่อๆของเราดัดแปลงมากนะดัดแปลงทุกอย่างผิดธรรมดาไปหมดธรรมะของธรรมดานะธรรมะไม่ใช่ของผิดธรรมดา ธรรมะกับธรรมดามันคำเดียวกันอีกหน่อยหลวงพ่อค่อยสบายแล้วมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์อภิธรรมหลายคนใครจะมาชวนหลวงพ่อเถียงกนงะบอกไปเถียงกับอาจารย์อภิธรรมไปเดี๋ยวนี้หลายบางแห่งนะท่านเปลี่ยนทั้งสำนักเลยกทั่งฐานเก่าของท่านจันแนบท่าเปลี่ยนแล้ว บอกหลวงพ่อบอกว่าที่วัดเปลี่ยนทั้งวัดแล้วเพราะของเก่าทำมานานหลายสิบปีแล้วลืมไปนะเวลาเรียนอภิธรรมนะก็พอเทียบกับสภาวะนั้นมันกลับบัวกับหางไปเลย <c oughs> นึกออกใช่ไหมอาจารยนัตตากิจแทนที่เราจะรู้รูปนามเราก็ไปกาหนดรูปนามอย่างทุกขังอริยสัจจังปรินิยังบางคนก็ไปแปลนะทุกให้กาหนดรู้ ทุกขัอริยสัจจังนะทุกอริยสัจนะทุกขสัจนะปริญนยยังมนาะจากคำว่าปะริะคำว่ายาปะริแปลว่ารอบยาแปลว่ารู้นั้นทุกเป็นทุกขนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบคำว่ารู้รอบหมายถึงอะไรอันแรกรู้รอบในกองทุกหรือรู้รอบในกองขันไม่ใช่เรียนขันเดียวนะต้องเรียนจนเระทังแจ่มแจ้งได้ทุกขันนั่นแหละ อันที่สองรู้รอบหมายถึงว่ารู้ได้ตรงความจริงขันทั้งปวงเป็นไตรลักษณ์เนี่ยที่ว่าทุกให้ทุกให้รู้ทุกเป็นของควรรู้รอบนี่เราไปแปลทุกกําหนดรู้ทุกกาหนดรู้นะเราแปลกันเคยปากต้มมาชอบพวกอาจารย์และพีธรรมนะเวลาเรียนนะเรียนง่ายเรียนง่าย เบอร์สี่สิบีอย่าไปเพ่งถลำลงไปนะใจถลำไปดวอไหมใจตั้งมั่นนะใจตั้งมั่นสติสักว่าระลึกสติไม่ใช่ลงไปกำหนดไว้สมาธิตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่ตั้งมั่นสักว่ารู้อารมณ์ปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ ขอตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะพระอาจารย์กว่าอนันตตาจะฟังแล้วเข้าไปในใจได้อะคะ่ะคำว่าสติแค่ะระลึกรู้ไม่ใช่ไปกำหนดรู้น ะ, ะสมาธิแค่ตั้งมัน่นไม่ใช่ไปตั้งแชกกว่าจะฟังแล้วมันเข้าไปถึงใจเนี่ยนะคะมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การน้อมเข้าไปามากๆเต้องน้อมนะโอบะนัยิ่โน้อมเข้าไปดูของจริงทำไมเราฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจรูไ้ไม เพราะมันไปเข้าหูเข้าสมองสมดตะเข้าสมองแล้วก็คิดนะคิดเมื่อไหร่ก็แปลเมื่อ น, นั้นแหละหลวงพ่อถึงบอกไงอยากฟังให้รู้เรื่องเร็วนะถอดเขี่ยวถอดเล็บออกฟังด้วยใจนะหลวงพ่อพูดธรรมมาพูดด้วยใจจริงๆนะพูดแบบถอดใจให้เลยนะถอดใจให้ได้ครึ่งวันนะเดี๋ยวสิบโมงหมดแรงแล้วเหนื่อยเมื่อไหร่โยมจะหมดไปจากโลกสัที มันเหนื่อยนะเหนื่อยสอนกันด้วยใจจริงๆเลยนะกรรมฐานนะเรียนดีที่สุดเลยอาจารย์หนึ่งลูกศิษย์หนึง่งดีที่สุดเลยไม่ก็กลุ่มย่อยๆเรียนกลุ่มย่อยๆไม่ใช่เรียนกันเป็นร้อยเป็นพันเรียนกันด้วยใจลูกศิษย์ก็เอาใจซื่อๆใสๆมาเรียนนะเอาใจต้านมาเรียนนี่เหนื่อยนะใจที่ต้านมาเรียนนี่เหนื่อยจานตตานึกออกหรือยังยังจิตเข้าต้านเนี่ยนะ เราอย่าอยากให้เขารู้เรื่องเหนื่อยนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อแก่ง่างๆแล้วหลวงพ่อชักไม่ไหวแล้วงั้นคนไหนต้านนะหลวงพ่อปล่อยเลยปล่อยเลยบางคนเถียงใหญ่เชียง์ชัชๆ ช, ชัคุณก็ทำไปเถอะนะได้ดีแล้วมาบอกกันก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่ามีมีช่องทางใหม่ที่เกินกว่าสติปัฏฐานหรือบางคนอยากดูความว่างดูความว่างอกพระเจ้าไม่ได้สอนนะก็เถียงจะเอาเออทาไปเถอะนะ เ่ะหมนเวลาละเลยเป็นนาทีเดี๋ยวปลาหิวข้าว